ลงมาพบอาคัรตุกะเวลาสองทุ่มตรงนายมั่นกับชายหนุ่มสองคนที่มาด้วยพากันกราบท่านสามครั้งและบุรุษวัยห้าสิบจึงพูดขึ้นว่าท่านสมพานช่วยไปจับผีถ่วงน้ำด้วยเถอะครับมันหลอกคนเป็นไข้หัวโกรนตายมาสามศพแล้วเมื่อกี้ไอ้มั่งลูกชายผมก็ถูกหลอกผมกลัวว่ามันจะตายไปอีกคนหนึ่ง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 แล้วค่อยไปดูลูกชายโยมไปดูไอ้มั่งก่อนไม่ดีหรือครับมันนอนครางฮือๆอยู่ที่บ้านเขาต่อรองผมก็ว่าหลวงพ่อน่าจะไปดูไอ้มั่งก่อนแล้วค่อยไปจับผีหนึ่งในสองหนุ่มที่มาด้วยพูดขึ้นเขาเป็นพี่ชายในมั่ง ไม่เป็นไรหรอกพอจับผีได้เจ้ามั่งก็หายเชื่ออาตมาเถอะพอดีกับเนนตุย้ยเดินออกมาจากห้องในมือถือไฟฉายมาด้วยกระบอกหนึ่งเอาละไปกันได้แล้วสมภารลุกจากอาสนะเดินนำเนนและครือหัดออกจากกุฏิเด็กชายสมริด กลับจากสำนักทีมาพบเข้าจึงถามลงนะ้ากําลงพี่จะไปไหนกันครับไปจับผีเนนตุ้ยตอบได้ยินว่าจับผีเด็กชายก็กระโดดผึงเข้ามาประชิดเนนถามเสียงสั่นว่าพะพะๆผีที่ไหนที่ต้นกลางโน่นพี่ชายในมั่งเป็นคนตอบ พับผมไปด้วยไม่กล้าอยู่คนเดียวเดี๋ยวผีมันมาหลอกผมไปก็ตามมาอย่ามัวชักช้าพระเจริญบอกแล้วเดินนำไปยังต้นกลางซึ่งอยู่ด้านหลังวัดขึ้นไปทางเหนือเมื่อไปถึงต้นไม้ใหญ่ขนาดสามคนโอกก็ดิมสิงพึบพบอยู่บนต้นผสมกับเสียงครางฮือฮือได้ยินกันทั่วทุกคนเด็กชายสมริด กลัวจนตัวสั่นรีบวิ่งเข้ามายืนใกล้ๆหลวงนาะจะหวังพึ่งเนนตุ้ยก็ไม่ได้ด้วยฝ่ายนั้นก็มีท่าทีขลาดกลัวไม่แพ้ตนขรืหัด ส, สามคนก็กลัวหากก็ยังอุ่นใจที่อยู่ใกล้สมผานเนนส่งไฟฉายมาสิคนเป็นพระบอกคนเป็นเนนได้ไฟฉายแล้ว จึงฉายขึ้นไปบนต้นกลางซึ่งมีใบดกปกคลุมจนดูดำมืดไปหมดยามลมพัดมาต้องใบของมันทำให้เกิดเสียงหวีดหวิวขึ้นฟังดูน่ากลัวต้องปีนขึ้นไปจับผีอยู่ตรงครบไม้บนต้นนั่นใครปีนครับหลวงพ่อหรือผมเนนตุ้ยถามทั้งสองคนนั่นแหละเธอนำหน้า ฉันจะตามหลังต้นสูงออกอย่างนี้คงต้องใช้พระองค์พาดแล้วปีนขึ้นไปโยมช่วยไปขอยืมพระองค์บ้านนั้นมาหน่อยบอกว่าสมพานให้มายืมท่านชี้ไปยังหลังบ้านใกล้ที่สุดนายมั่นกับชายหนุ่มสองคนจึงเดินไปยังบ้านหลังนั้นประเดี๋ยวหนึ่งก็แบกพระองค์กลับมา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 ใครจะช่วยเธอละ่ะคำพูดของสมพานทำให้เนนตุ้ยถึงกับตัวสัน่นส่วนเด็กชายสัมฤทธิ์นั้นเข้าไปยืนรวมกับพวกชาวบ้านด้วยต้องการที่พึ่งแล้วหลวงพ่อต้องช่วยผมนะอย่าทิ้งผมนะครับเออนะฉันรับรองว่าเธอปลอดภัยตั้งสติสิอย่า ก, กลัวกลัวมากๆระวังจะเป็นบ้า ตั้งสติเข้าไว้กำหนดกลัวหนอกลัวหนอเรียนมาแล้วต้องเอามาใช้ให้ได้สมพา์สอนลูกวัดเอาละปีนขึ้นไปเลยสมณเณรวัยสิจึงจำใจต้องปีนขึ้นไปก่อนแม้จะพยายามกำหนดกลัวหนอกลัวหนอก็ยังขาสั่นผับ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 ภาพที่เห็นทำให้ท่านต้องกำหนดตกใจหนอเป็นนกขโมงตาโตเท่าไข่หา่านเมื่อกระทบกับแสงจากไฟฉายมีสีแดงน่ากลัวมากเห็นคนบุกมาถึงรังนกขโมงตัวนั้นรีบกลางปีกออกปกป้องลูกน้อยที่อยู่ในรังตามสัญชาตญาณของมัน ร, รู้ว่าอะไรเป็นอะไรพระหนุ่มจึงพูดกับแม่นกว่าไม่ต้องกลัวเรามาดีรับรองว่าจะไม่ทำร้ายเจ้าหรือลูกเจ้าหรอกเหมือนจะฟังภาษามนุษย์รู้เรื่องแม่นกจึงหุบ ป, ปีกแล้วป้อนอาหารลูกต่อโดยคาบลูกหนูตัวแดงๆที่นอนดิ้นกระแดกกระแดกอยู่ในรัง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 รู้สึกว่าหายกลัวไปโขทีเดียวลงพ่อท่านเก่งเหลือเกินขนาดไม่มีมีดหมอผีก็ยังกลัวผีเผลอที่ไหนกันละ่ะนกเขมงมันป้อนอาหารลูกมันเธอนี่ตาขาวไม่เข้าเรื่องท่านตำหนิลูกวัดลืมไปว่าตัวท่านเองเมื่อแรกเห็นก็ยังต้องกำหนดตกใจหนอะงั้นหรือครับแหม ผมกลัวแทบตายใจเต้นไม่เป็นสามเลยนะครับนี่เนนตุ้ยพูดอย่างโล่งอกลงนะ้าตับผีได้หรือยังครับเด็กชายสำริดตะโกนขึ้นมาได้แล้วเนนตุ้ยเป็นคนตะโกนตอบได้ยินดังนั้นทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ที่ยืน อ, อกันอยู่ใต้ต้นต่างพากันตื่นเต้นยินดี เอามันไปถ่วงน้ำเลยนะครับท่านสมพานนายมั่นตะโกนขึ้นไปพระเจริญไม่ตอบหากบอกให้เนนตุ้ยไต่ลงมาก่อนแล้วท่านจึงลงตามอย่าไปทำมันเลยโยมสงสารมันอาตมากําชับแล้วว่าอย่าเที่ยวไปหลอกหลอนใครอีกมันเป็นผีแม่ลูกอ่อนท่านสมพานพูดยิ้มยิ้ม แม่นาคพระขนงหรือครับในมั่นถามรู้สึกกลัวขึ้นมาอีกไม่ใช่แม่นาครอกโยมนกเข้ามงนะ่ะมันกำลังป้อนอาหารลูกอ่อนพอคนเดินผ่านมันคงกลัวจะไปทำร้ายเลยส่งเสียงครางฮือๆเป็นการโคและเวลาที่ลมพัดมาถูกใบกลางเสียงดังหวีดวิว คนก็ไปคิดว่าถูกผีหลอกทำให้คาสติวิ่งหนีสุดทีวิตที่เป็นไข้หัวโรนเพราะจิตหลอนเอาละทีนี้ก็หายกลัวกันได้แล้วไปไปดูลูกชายโยมกันท่านชวนในมั่นจึงพาพระเจริญกับเนนตุ้ยไปยังบ้านตนมีเด็กชายสำริดติด ต, ตามไปด้วย ส่วนผู้ชายสีห้าคนต่างแยกย้ายกันกลับบ้านของตนนายมั่นถือโอกาสฝากพระองค์กลับไปด้วยเพราะว่าตัวเขาต้องพาพระเจริญไปดูลูกชายอีกคนที่ถูกผีเข้า นอนคลุมโปงคลางหญิงหญิงอยู่กลางบ้านแวดล้อมด้วยพี่พี่น้องน้องซึ่งมานั่งล้อมวงดูด้วยความสงสารทว่าไม่รู้จะช่วยประการใดนางตุ้งหริงผู้เป็นแม่ก็เอาแต่ร้องไห้ที่ลูกจะต้องมาตายจากครั้นเห็นสมภารกับเนรเดินขึ้นบันไดามาก็ยินดีเหมือนสวรรค์โปรโด นิมนต์จ้าท่านสมพันณ์นิมนต์ข้างไหนเลยจ้านางลุกออกไปรับที่นอกชานลูกๆช่วยกันหาเสื่อมาปูให้ท่านนั่งใกล้ๆ ก, ก, กับนายมังม่งมั่งเองเป็นอย่างไรบ้างไหนลุกขึ้นมาคุยกับหลวงพ่อหน่อยสิท่านพูดอย่างปราณีคนที่กําลังนอนกลุมโปองอยู่รู้สึกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ริ้วแรงที่ถดถอย กลับคืนมาเหมือนเดิมเขาลุกขึ้นนั่งแล้วกราบเป็นจางค้าประดิษฐ์สามครั้งพูดว่าหลวงพ่อช่วยผมด้วยนะครับผมยังไม่อยากตายช่วยสิหลวงพ่อรับรองว่าเอ็งไม่ตายเพราะถูกผีหลอกแน่ไหนเล่าให้หลวงพ่อฟังสิว่าผีหลอกยังไงนายมั่งจึงเล่าว่า คือผมจะไปบ้านเพื่อนพอเดินผ่านต้นกลางก็เกิดลมพัดแรงดังวิววิวผมได้ยินเสียงพึบๆพบตามด้วยเสียงคลางฮือฮืออยู่บนต้นไม้ก็ตกใจโกยอ้าวเลยวิ่งตับแทบแตกพอถึงบ้านก็นอนคลุมโปงมันร้อนๆอนหนาวหนา ว, นาวจับไข้เลยครับชายหนุ่มเล่าฉันก็เลยกลัวว่ามันจะเป็นไข้หัวโกรนตายเหมือนรายอื่นๆ น, นางตุ้งหริงว่า ท่านสมภารบอกว่ามันจะไม่ตายนายมั่นบอกเมียจริงหรือจ้าท่านสมภาร น, นางถามพระเจริญจริงสิก็อาตมาเพิ่งบอกเจ้ามั่งไปหยกหยกโยมไม่ได้ยินหรอกหรืท่านพูดเสียงดุดุได้ยินจ้ะฉันได้ยินที่ท่านพูดแต่ฉันไม่รู้ท่านพูดอะไกรพระมัวกังวลว่าลูกจะต้องตาย นางตุ้งหริงสารภาพเอาละ่ะทีนี้ก็เลิกกังวลกันได้แล้วมั่งเองอยากรู้ไหมว่าที่เองได้ยินนั้นคือเสียงอะไรท่านถามคนที่คิดว่าถูกผีหลอกเสียงผีน่ะสิครับหลวงพ่อมันหลอกผมจะให้ผมเป็นไข้หกโกรนตายนายมั่งพูดถึงผีอย่างนึกชิงชัง ไม่ใช่ผีแต่เป็นเสียงนกเค้ามงที่ดังพึบพึบเพราะมันกระพือปีกส่วนเสียงคลางฮือๆนั่นเป็นเสียงมันขู่ข้าเพิ่งไปดูมาเมื่อกี้นี่เองงั้นที่ตายไปสามศพนั่นก็แบบเดียวกันนะสิครับท่านสมพาน์คือไม่ได้ตายเพราะถูกผีหลอกแต่เอ๊ะทำไมมันต้องเป็นไข้หัวโกรนด้วยล่ะครับท่านสมพาน์ ในมั่นไม่อยากเชื่อนั่นเขาเรียกว่าโรคขาดสติโรคนี้ร้ายแรงยิ่งกว่าโรคมะเร็งเสียอีกเพราะไม่มีสติจึงตกใจกลัวแล้วจิตก็สร้างภาพหลอนขึ้นว่านั่นจะต้องเป็นผีจึงล้มป่วยเนื่องจากตกใจมากเกินไปจึงทําให้ผมร่วงแล้วก็เลยเป็นไข้หัวโกรน ถ้ามีสติก็จะไม่ตกใจแล้วก็ไม่เป็นไข้ด้วยเห็นความสำคัญของการมีสติหรือยังสติที่ใช้คู่กับปัญญาใช่ไหมครับหลวงพ่อพี่ชายในมั่งถามถูกแล้วเราพูดอยู่เสมอถึงคำว่าสติปัญญาเราใช้ปัญญาอยู่เสมอก็จริงแต่สตินั้น แทจริงแล้วเรานำออกใช้น้อยนักทั้งทั้งที่สติมีคุณค่าและจําเป็นแก่ชีวิตมีคุณค่าอย่างเหลือที่จะประมาณได้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราก็ต้องมาฝึกสติกันฝึกยังไงจ๊ะนางต้องหลิงถามอย่างสนใจถ้าอยากรู้ว่าฝึกยังไง ก็ต้องไปเข้ากรรมฐานที่วัดอุ้ยฉันไม่มีเวลาหรอกจ่ะมารดาในมั่งรีบบอกผมก็ไม่มีเวลาหรอกครับหลวงพ่อในมั่งบอกบ้างต้องรอให้เป็นไข้หัวโกรนเสียก่อนใช่ไหมถ้าพวกเองจะรอใหถึงเวลานั้นรับรองว่าไม่ได้ไปเพราะตายเสียก่อน งั้นผมไปครับหลวงพ่อผมจะไปพรุ่งนี้เลยได้ไหมครับนายมั่งรีบบอกรู้สึกเข็ดขยาดเซนักกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อตอนหัวค่าการไปฝึกสติที่วัดจะได้ไม่ต้องประสบกับเหตุการณ์เช่นนี้อีกได้ต้องมีสัจจะนะสัจจะนี่สำคัญมากคนที่เสียสัจจะนะ่ะ หลวงพ่อเห็นตายมานักต่อนักแล้วนี่พูดจริงๆนะไม่ได้แกล้งขู่ให้เองกลัวแต่ถึงไม่ขู่ผมก็กลัวครับหลวงพ่อทั้งเข็ดทั้งกลัวเลยลูกชายในมั่นสารภาพดีแล้วงั้นหลวงพ่อเห็นจะต้องกลับละเจ้าสมริดง่วงแล้วท่านมองเด็กชายสมริดซึ่งนั่งสบงบพิงเสาอยู่ ผมจะไปส่งนะครับนมั่นขันอาสาไม่ต้องหอกโยมอาตมามีกันตั้งสามคนไฟฉายก็มีพร้อมจะต้องไปส่งให้เสียเวลาทำไมงั้นผมก็ต้องขอพระคุณท่านสมพานมากครับที่เมตตาผมและลูกเมียเขาก้มล ง, งกราบท่านสามครั้งนางต้องหริงและลูกๆทาตาม เอาไว้ฉันว่างแล้วจะไปฝึกบ้างนะจ๊ะท่านสมพาน์เมียในมั่นพูดเอาใจพระเจริญถ้าโยมจะรอให้ว่างแล้วก็โนนแหละเข้าเมนเมื่อไหร่นั่นแหละถึงว่างเอาเถอะจะไปหรือไม่ไปอาตมาไม่ว่าหรอกเพราะเป็นเรื่องของโยมไม่ใช่เรื่องของอาตมา